พร้อมน้อมต่อคุณพรัตนไตโอกาสเพื่อนสมันรเทมิทุท่านเจริญธรรมเีตียาที่ทำทุกท่านก็นั่งสบายๆเนาะเมื่อวานเย็นเราก็ได้ฟังพระอาจารย์เผยสารท่านก็เล่าเรื่องไปอินเดียแล้วก็ไปชมสถานที่ต่างๆ ที่นัก บ, บวชในประเทศอินเดียซึ่งมีไหลรัทธิไหลนิกายก็เดินทางไปสแสวงบุญหรือไม่ก็ไปในสถานที่ที่คิดว่าเป็นที่ที่คล้ายๆว่าสามารถที่จะเข้าถึงพระเจ้าได้เร็วขึ้นแล้วก็เป็นการประกอบพิธีกรรมต่างๆเพื่อจริงๆแล้วก็เพื่อให้เข้าสู่ความความเป็น สถานที่ของพระเจ้านั่นเองนะคือเหมือนกับพอตายไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าในรัธิของตนเองนะก็มี <c oughs> วิธีการต่างๆมากมายนะเช่นไปอาบน้ําในแม่น้ําคงคาบ้างนะหรือไม่ก็ไปในสระน้ําต่างๆนะไปอาบน้ำํำในที่น้ําเย็นๆนะเกือบจะเป็นน้ําแข็ง หรือไม่ก็เดินทางไกลไปในที่ต่างๆซึ่งลำบากแต่ก็ไปหรือแม้ต่อ <c oughs> บนยอดเขาหิมาลัยแล้วก็ลำบากมากแล้วก็แต่ว่าโดยศรัทธาของอาสาธิตนี้ก็ชนในลัทธิต่างๆเหล่านั้นก็มีศรัทธามุ่งมั่นเดินทางไปในสานทีต่างๆแม้ว่าจะลำบากขนาดไหนเนาะแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่น <c oughs> ด้วยความศรัทธา ที่ว่านี่แหละเมื่อทำไปแล้วก็มีโอกาสที่เรียกว่าอาจจะได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าต่างๆหรือว่าอาจจะมีความสุขความเจริญมากขึ้นในโลกนี้หรือโลกหน้าเ <c oughs> นาะก็ดำเนินไปในกิจกรรมต่างๆที่ตัวเองเข้าใจไป <c oughs> ตรงนี้ถ้าเราไปดูในอินเดียจริงๆแล้วเนี่ยจะมีความเชื่อต่างๆเราเนี่ยเยอะมากเลยเนาะ บางทีก็บางแห่งก็นับถือฮันุมานก็มีเนาะ <c oughs> หรือเจ้าแม่กาลีอะไรเงี้ยมากมายอันนี้จริงๆแล้วนะพระพุทธเจ้าสมัยก่อนะในยุคพระพุทธเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ในยุคนั้นก็ <c oughs> คงจะคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะมีลทัทธิต่างๆมากมายที่เราเคยศึกษาอมีปากมีเจ้าสํานักเจ้าลัทธิต่างๆมากมายะใกล้เคียงกันเนาะ เพราะว่าในยุคนั้นก็เป็นยุคแห่งการค้นคว้าแล้วก็สแสวงหากันนะเพราะนั้นเจ้าลัทธิต่างๆก็มีมากมายแต่มันมันมีความต่างกันนะต่างกันอย่างไรต่างกันตรงที่ว่าตามลัทธิต่างๆนั้นจะบูชาพระผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่นะมะีพระเจ้าเป็นที่ศรัทธาเป็นที่เคารพนับถือของแต่ละลัทธินะแล้วก็ ทำด้วยความตัททาว่าเออเมื่อบูชาเช่นนี้นี่แหละก็มีโอกาสที่จะไปอยู่กับพระบุญเจ้าได้หรือว่าท่านก็อาจจ ะ, ะมีความเมตตามีความรักประทานสิ่งต่างๆที่ต้องการให้เนาะแต่พระเจ้านั้นไม่ได้ทําในสิ่งเหล่านั้นเลยนะไม่ว่าจะเกิดในในยุคนั้นหรือว่าอ่ามีการนับถือศาสนาพราหมณ์พระพุทธเจ้ากับทรงเห็นว่านี่แหละมันมันน่าจะไม่ใช่เนาะแล้วก็เห็นอ เห็นว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันนี้มันเป็นเรื่องไม่ธรรมดาะในขณะที่คนหนึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าท่านไม่เห็นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านก็เลยออกมาสแสวงหาว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นะเมื่อมีเมื่อมีความเกิดไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่นะอมันก็ยังเป็นภพภูมิอยู่ทั้งสิ้นมันก็ต้องมีการนะเวียนว่าอยูุชนั้นไม่มีที่สิ้นสุด <c oughs> แล้วมันจะอยู่ตรงไหนนะ การไปอยู่พระเจ้ามันก็ยังไม่ได้มีหลักฐานแท้จริงว่าไปอยู่จริงหรือเปล่าเะแล้วมันไม่ใช่ว่ามันเป็นการสิ้นสุดในตรงนั้นหรือเปล่าต้องมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่หรือเปล่าเพราะความเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดในยุคนั้นก็มีอยู่มากมายเป็นเรื่องที่เราว่ามีความเชื่อเกือบ 100% อยู่แล้วในยุคนั้นเะ <c oughs> ก็เลยทรงสแสวงหาโดยตัวของท่านเองว่ามันมันอย่างไรกันแน่นะในนาตัวเองมาพิสูจน์นะไม่ไปทดลอง <c oughs> ในวิธีการต่างๆแม้ตราการทรมานตนเองและวิธีการต่างๆพระพุทธเจ้าสรุปแล้วถึงหกครั้งนะเรียกว่าท่านก็กล่าวว่าอผู้ที่เหมือนกับทรมานตัวเองที่สรุปถึงหกครั้งเนี่ยแทบจะไม่มีไม่มีใครทําเท่าท่าน <c oughs> ท่านก็ทรมานอย่างเต็มที่แล้ว <c oughs> หรืออดข้าวถึงสี่สิเก้าวันเนาะ <c oughs> อันนี้ในตอนหลังเมื่อท่านได้ตัดสรุปแล้วท่านก็เลยอ่ผู้เหล่านี้ให้ปัญญวัคคีฟังไปัญญวัคคีก็มีความ เชื่อถือว่าจริงๆพระเจ้าก็เคยผ่าน <c oughs> อาาัตตาเกลีมาฐานโยคมาแล้วก็คือการทรมารตน้วยวิธีการต่างๆมาแล้วอย่างมากมายเนาะ <c oughs> ตรงเนี้ต่อหลังที่พระเจ้าได้เข้าใจถึงไตรธรรมกถึงความเป็นจริงแล้ว <c oughs> ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งพระพุทธพระโปคงได้เดินผ่านด้วยตัวท่านเองนะอันนี้เป็น <c oughs> เป็นสิ่งที่ต่างจากศาสนาอื่นในตรงนี้ศาสนาอื่นคล้ายๆว่ามีมีความเชื่อตามตำราตามที่เล่าๆกันมาอ่าแต่ว่ายังไม่มีใครพิสูจน์จริงๆบ้างท่า น, นมันพ้นทุกหรือเปล่าแต่พระเจ้าได้ใช้ตัวเองนี่แหละมาพิสูจน์นะด้วยตัวเองบ้างเมออื่อท่านเดินหนทางนี้แล้วเนาะ <c oughs> ท่านเดินทางหนทางนี้แล้วเนี่ยท่านสามารถพบได้ด้วยตัวเองท่านเองว่ามันพ้นทุกได้จริงจรจิตใจท่างก็เปลี่ยนไป กิเลสตัณหาในใจท่านก็ลดน้อยลงไปนะั้นแล้วก็จิตใจท่านสามารถเปลี่ยนเป็นภริยาบุคคลได้เป็นพระรหลานเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าซึ่งอันนี้เป็นการที่เรียกว่ารู้ธทำด้วยตัวเองเนาะอันนี้ถ้าผู้ใดที่เข้าถึงอตรงนี้ก็จะเข้าใจเออมันจิตใจก็เปลี่ยนแล้วนะความรู้ต่างๆก็เข้ามาเองแล้วก็กิเลสต่างๆก็จางหายไปจิตใจก็มีแต่ความสุขความเบิกบาน <c oughs> เหมือนกับคนที่ฟื้นจากไข้คนที่เป็นไข้อยู่ก็ก็มีเป็นความเป็นไข้นั่นแหละก็มีแต่ค ว, วามเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เมื่อบันใดที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บหายจากไข้นั้นแล้วก็จะรู้ตัวว่าเออเราตอนนี้เราหายแล้วนะเรารู้สึกว่าเราสดชื่นแล้วเราทานอาหารได้เหมือนเดิมแล้วมีแรงกระพี้กระเป๋าแล้วก็จิตใจก็ดีขึ้นมีความสุขขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้น ก็เหมือนกันนะผู้ที่บรรลุธรรมก็คล้ายๆแบบนั้นเหมือนกันก็รู้สึกว่าเราก็จิตใจก็เปลี่ยนมาแล้วนะมีความสุขมีความแบบบานมากขึ้นไม่ต้องไปถามใครว่าเออเราตอนนี้เราหายป่วยหรื อ, อยังใช่ไหมแต่ว่าการหายป่วยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวตัวเราเองเราเข้าใจด้วยตัวเราเองนะเพราะตรงนี้ก็มันต่างจากศาสนอื่นตรงนี้ว่าพระพุทธเจ้าได้ <c oughs> ค้นพบทางหลุดพ้นหรือความพ้นทุกข์ไ ด, ด, ด, ด้ตัวเองเนี่ย ไม่ใช่โดยการฟังมาหรือว่าตามตำราต่างๆตามหลักตามศาสนาตา่างๆที่มีการสืบต่อกันมาเนาะแล้วก็ทรงนำสิ่งเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับประชาชนทั้งหลายให้ปฏิบัติตามเนาะตรงนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าจริงๆแล้วพระพุทธศาสนานี่แหละจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นาศาสนาเน า, เาะศาสานาส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีลักษณะรือว่าเป็น เทวนิยมนะคือพระวุฒจยาเป็นต้นแต่ว่าเป็นลักษณะของศาสนาดิจมนะคือศาสนานี้ก็คือสรทัทธานั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนแล้วนะมันต้องพ้นทุกแน่นอนมันะอยู่ที่ว่าเราทําถูกต้องไหมนะไม่ว่าจะนับถือศาสน า, าใดๆนะเป็นเด็ ก, กเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงถ้าทําถูกต้องที่พระเจ้าว่านะไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาหรืออะไรทั้งสิ้นก็สามารถเข้าสู่ความพ้นทุกได้ เพราะนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนทางที่เรียกว่าถูกต้องแล้วก็แน่นอนนะมันไม่มีทางที่เป็นไปนทางอื่นได้เลยนะเพราะว่าเป็นการที่เรียกว่าเดินมาแล้วด้วยตัวเราเองเนาะอันนี้จึงว่ามันเป็นจริงจริงนะเพราะว่าในโลกนี้มันจริงๆแล้วกดทุกอย่างเนี่ยตกในกฎปไตรัตกษ์ทั้งสิ้นนะก็คือสภาวะทุกอย่างมันเป็นไปตามอนิจจังคือความไม่เที่ยงนะทุกอย่างในโลกนี้มันก็มีแต่ความไม่เที่ยงทั้งสิ้น ไม่มีสิ่งใดมีความเที่ยงแท้แน่นอนะไม่ไว่าตัวเราตัวเขาตัดบุคคลต่างๆมันตกอยู่ในกฎแห่งความไม่เที่ยงทั้งสิ้น แ, แม้แต่มต้องมีการกล่าวว่าสิ่งที่เที่ยงแท้ก็คือความไม่เที่ยงนั่นเองนะมันจะหาความเที่ยงไม่ได้เลยอันนี้คือความเป็นจริงหรือเป็นสัธรมอย่างหนึ่งนะแล้วต่อมาก็คือความทุกขนะ์ก็คือการที่มันบีบคั้นนะมันไม่อาจจะทรงตัวอยู่ในของมันเองได้ตลอดไป มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะเพราะฉะนั้นการที่มันเปลี่ยนแปลงนี่แหละเขาเรียวกว่าเป็นความทุกข์นะมันบีบคั้นนะแล้วก็มันทนอยู่ในภาวะเดิมไม่ได้เห็นไหมคนเรามันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันถูกความทุกข์บีบคั้นอจนจะต้องมันทนไม่ได้นะเราจึงต้องมีการเคลื่อนไหวต้องเปลี่ยนยบทนะแล้วก็มีความเสื่อมสทรมของร่างกายไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็คือความจริงอของโลกนี้ <c oughs> ซึ่งไม่มีสิ่งใดเถียงตรงนี้ได้ จนผู้เจ้าได้ตัดจนมีภาษาวกได้ตัดไว้ว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ละทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนะทุกข์นี่ก็คือความจริงในอริสัตด้วยต่อมาก็คือนักตาก็คือความไม่ใช่ตัวไม่ไม่ใช่ต น, นบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัดบุคคลโตตนเราเขาท่านนี้ก็เป็นความจริงของศาสนานะคือจริงๆแล้วอนิจจังหรือทุกขังเนี่ยบางศาสนาเพมองเห็นนะ บางศาสนาเขาสอนกันเหมือนกันเขาก็มองเห็นอยู่แต่อานตานี้ศาสนาอื่นเขาเขา้เขาไม่ถึงนะเขามองไม่เห็นเขาเข้าไม่ถึงในตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาเคยจึงไม่ได้สอนกันนะมีแต่ในพุทธศาสนาเท่านั้นที่กล่าวถึงนักตาความไม่ใช่ตัวไมต่ตนะตรงนี้มันสําคัญมากเลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อเรามาเข้าใจในพระไตรลักษณ์แล้วเนี่ย เราก็จะเข้าใจสัตธรรมได้อย่างลึกซึง้งได้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นบา้ากว่าที่อื่นนะเพราะว่ามันมันมีการเข้าสู่อนัตตาด้วยนะอนัตตาเนี่ยแหละเป็นถือว่าเข้าสู่ความที่เราไม่ได้ไปยึดติดในสิ่ ง, งต่างอย่างแท้จริงมันเป็นการปล่อยการวางการไม่ยึดติดนะเนาะคราวนี้ถ้าเรามาเข้าใจอนัตตาปั๊บมันจะไปเข้าใจในความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ด้วยนะเพราะว่าเมื่อมันไม่ตัวไม่ตนแล้ว เราจรึงบังคับเป็นชาติสิ่ ง, งต่างไม่ได้เลยมีแต่ความที่เราว่ามันเมื่อบังคับไม่ได้ก็จึงแสดงความไม่เที่ยงแสดงความทุกข์เราเห็นจิตใจเราเป็นแค่ผู้ดูผู้รู้แม้ร่างกายก็ไม่ใช่ของเราไม่้ใจก็ไม่ใช่ของเราเรามีหน้าที่แค่รู้แค่เห็นเขาเท่านั้นเองเราไปบังคับอะไรเขาไม่ได้เลยเขาทํางานตามเหตุตามปัจจัยซึ่งเราจะบังคับอะไรเขาไม่ได้นะมันเป็นเป็นเช่นนั้นของเขาเองเป็นสภาวะที่เขา เขามาีมีปัจจัยเป็นดนเกิดแล้วก็มีเหตุเป็นดนเกิดแล้วก็มีการสืบเนื่องไปในลักษณะเป็นลูกโซ่ของการทำงานอาของกายและใจในตรงนั้นนะครับอันนี้ <c oughs> มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาซึ่งเรียกว่าเป็นปฏิจจสมบทตนะิ <c oughs> มีเหตุแล้วก็มีผลมีผลแล้วก็เป็นเหตุต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด อตรงนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมองเห็นในขณะที่ทรงตัดสรู้แล้วถึงความออ่ถึงความต่อเนื่องกันถึงความเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันนะอ่มันก็มีวิชาอวิชาเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณปัจจัยให้เกิดนามรูปนะอาวิญญาณปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณปัจจัยเกิดนามรูปนะ นามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายยตะนะคือตาหูจุลินกายใจนะสลายยตนะเป็นปัจัยเกิดผัสสะคือการกระทบเมื่อมีตาหูจุลินกายใจก็มีการกระทบกระทบรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑะธรรมลมนะเมื่อเกิดกระทบก็เกิดเวทนาคือความยินดียินร้ายหรือเฉยๆไมีเวทนาเกิดขึ้นก็เกิดตัณหาคือความทยานอยากในสิ่งเหล่านั้นนะอยากจะได้มากๆขึ้นไปหรือเกิดการผักไสเนาะ เมื่อเกิดตัณหาก็เกิดปะทานก็คือเกิดการยึดติดนะการยึดมั่นถือมั่นนะการยึดครองในตรงนั้นอนะุปฏทานก็เป็นเหมือนใจให้เกิดภพภนะพเป็นปใจใัจจัยเกิดชาชาเป็นปใจใัจจัยเกิดชรามรณะโศกกระเะ ป, ป ร, ริเทวัตถุปทุมนัตปุปายาสาปิตา ม, มามากมายนะนี่คือสภาวะธรรมที่เป็นปฏิจจสมบัติที่ใน ใ, นใจเรานะก็ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเช่นนี้ตามกระบวนการของเขาอยู่แล้วเนาะ จริงๆแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับกระบวนการนี้เลยเรามีหน้าที่แค่รู้แค่ดูตามความเป็นจริงเท่านั้นเองแล้วก็เห็นกระบวนการเขาแล่นไปนะเราไม่มีหน้าที่ไปจัดการอะไรกับเขานะแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็จะไปจัดการในสิ่งต่างๆนะมันก็กลายเป็นการแทรกแซงหรือภาวะรมไปนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะเช่นความคิดเป็นต้นอ่าหรือความกลัเป็นต้นันสิ่งเหล่าเนี้ยก็คือครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้เรารู้นะรู้เท่านั้นเอง แล้วก็ครูบาอาจารย์ก็บอกว่ารู้เฉยๆรู้รู้ซื่อๆนะเพื่อจะได้เห็นกระบวนการของเขาดําเนินไปเห็นความเกิดความดับของกระบวนการโดยเราไม่ได้ไปจัดการเขาเพราะว่าอะไรเพราะจริงๆแล้วเขก็ไม่ใช่เราอยู evet. ่แล้วนะกระบวนการนี้เป็นเรื่องของจิตใจในเมื่อกายและใจไม่ของเราแล้วสิ่งนี้เกิดจากใจต่างๆเช่นกระบวนการนี้เหลืออาการของจิตต่างๆก็จึงไม่ใช่เราด้วยเราก็มีหน้าที่รู้เข้าไปเท่านั้นเองเห็นก็ทํางานของเขาเองนะเป็นของเขาเองของเขาเองเท่านั้นเองนะไม่ใช่เราเนี่ย เราถ้าเราดูแบบนี้เราก็เห็นสภาพความเกิดความดับของเขาเองน ะ, ะเช่นตาตางเราในไปกระทบะเห็นเจอเพื่อนเรานะเพื่อนของเรานี้อตอนแรกเราก็ดีใจนะมีเวลาเกิดขึ้นดีใจปุ๊บเนี่ยแต่พอนึกได้เ อ, อ๊ะไอ้นี่มันเคยยืมเงินเราเนาะไม่ยอมเอามาคืนตอนนี้ความดีใจก็เปลี่ยนมาละกลายเป็นความไม่พอใจเกิดนะความไม่พอใจขึ้นมา ปุ๊เนี่ยมันก็มีตันหานะคือความทยันยากคือการปรุงแต่งในความโกรธเกิดขึ้นแล้วนะตรงนี้ถ้าเราดูไปเรื่อยๆเออความโกรธนะเราแค่ดูมันใจเฉยๆปั๊บเนี่ยมันไม่นานมันก็สแสดงการดับให้เราเห็นได้อยู่แล้วนะไม่ดับตอนนี้ไปเดียวข้างหน้านมันก็ต้องดับเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรเขาเขาก็เห็นเออเขาก็เกิดดับได้แต่ถ้าเราไม่พอใจขึ้นมาพูดแล้วก็เราก็เป็นนักปฏิบัตินะก็ต้องจัดการให้มันดับไปโดยวิธีการต่างๆ มันก็กลายเป็นตัวเราขึ้นไหมว่าเราไปจัดการให้ความโกรธดับไปนะแล้วเราก็สามารถทําได้นะตรงนี้มันก็เป็นการแสร้างแรงกระบวนการแล้วเราก็ไม่เห็นความเกิดดับของเขาเองเนาะนะนะคือกระบวนการอย่างเงี้ยถ้าเราสามารถเห็นได้ว่าเขาดําเนิน <c oughs> ของเขาเองตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ไม่ไป <c oughs> จัดการอะไรกับเขานะเพราะความโกรธมันก็ไม่ใช่งเราอยู่แล้วเราก็ไม่หน้าที่ดูไปตามความเป็นจริงนะหรือมีความพอใจเกิดขึ้นก็เหมือนกัน เราก็ดูไปตามความเป็นจริงในสุดความพอใจกระดับไปเราก็มีหน้าที่เป็นผู้ดูเฉยๆนะมันไม่ใช่เป็นความผิดอะไรของเราที่ต้องไปจัดการเหล่านั้นเพราะเราบังคับเขาไม่ได้หรอกมันมันไม่เท่ออำนาจที่เราบังคับว่าต้องอย่ากโกรธนะต้องอย่าลักนะ <c oughs> เพราะว่าตรงนี้มันมันระบักบัญชาก็ไม่ได้นะมันไม่ตัวไม่ตนของเราแต่เมื่อใดที่เราเริ่มไปจัดการนะั่นะมันจะมี <c oughs> มีตัวตนเราแฝงอยู่นะมีตัวตนเราแฝงอยู่ใน ทุกๆกระบวนการที่เราไปจัดการนั้นจัดการเขาดีตามที่เราต้องการนะไม่ดีทำให้เขาดีไม่สงบทำให้เขาสงบต่างๆเราเนี่ยเป็นกระบวนการเราไปจัดการทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์อย่างแบบว่าให้เราเห็นตามที่เขาเป็นไม่ใช่ให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการนะเพราะการที่ให้เาเป็นไปตามที่เราต้องการนั่นคือการที่เราไปกดข่มไปบังคับไปจัดการเขาเป็นการสร้างแสงภาวะธรรม แล้วจริงๆแล้วตรงนั้นก็คือเป็นสมถะนะเป็นการเป็นการที่เราทำด้วยความอยากดีนะการที่เราอยากดีทั้งหลายนั่นแหละมันมันคือสมถะนะเพราะเราเกิดจากการที่เราไปแทรกแซงเขาทั้งนั้นเลยไปกดขมเข้านี่แหละเป็นสมถะแต่การที่เราเห็นตามความเป็นจริงก <c oughs> ็คือเห็นตามความจริงก็คือมันไม่ใช่ว่ามันต้องดีนะมันไม่ดีก็ได้มันจะเป็นอะไรก็ได้นะมันมันไม่ดี มันไม่ดีก็ไม่เป็นไรตรงเนี้ยเราถึงจะว่าเข้าใจจริงๆแล้วไม่ใช่มันจะต้องดีนะแล้วเราก็พอใจแต่มันไม่ดีแล้วไม่ชอบใจอันนี้มันไม่ถูกต้องเพราะทั้งดีทั้งไม่ดีมันก็สภาวะมันก็เหมือนกันคือมันไม่ตัวไม่ตนของเราเราบังคับเขาไม่ได้มันก็เป็นความไม่เที่ยงเหมือนกันนะอยู่ที่ว่าเราเรากล้าไหมเรายอมรับเขไหมถ้าเรายอมรับก็จะเห็นว่าเออไอทั้งดีทั้งไม่ดีนะมันก็มีความเสมอกันในความเกิดและความดับในการที่เราบังคับเขาไม่ได้เหือนเหมือนเหมือนกันทั้งคู่ นะตรงนี้ถ้าเราเห็นอย่างเงี้มันก็กลายเป็นว่าเราเราสามารถที่เห็นความจริงว่าเออตรงนี้นะมันไม่ตัไม่ตนของเราจริงๆนะเราบังคับก็ไม่ได้เพราจึงไม่ดีนะถ้าเราบังคับก็ได้ก็ต้องดีแต่เมื่อไม่ไม่ดีเนี่ยแสดงความจริงแล้วว่าเนี่ยพอเราเห็นว่าเราบังคับก็ไม่ได้มันจึงเป็นเช่นนั้นของเขาเองนะเราก็เป็นผู้แยกมาดูทรงนั้นเองว่าเนี่ยสภาวธรรมต่างๆไปไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราเป็นของเขาเองไม่ใช่เรานะ ตรงนี้มันมันจะแยกออกมาเลยนะมันไม่มีตัวเราอยู่เบื้องหลังนะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นการนำรองให้จิตเนี่ยเขาเดินปัญญาได้นะมันก็จะไม่เดินปัญญามันก็ไปตันอยู่เพราะว่าตันตรงที่ความที่เราอยากดิน้นเองการที่บังคับเขาได้การทําให้อยู่ในความบังคับอยู่ในความต้องการของเราแล้วก็ไปติดอยู่แค่นั้นมันก็เลยไม่เห็นนาฏรักอย่างแท้จริงนะมันก็ยังเดินปัญญาไม่ได้จริงจริงอยู่ได้ว่าเขาเดินปัญญาได้ไหมถ้าเขาเดินได้ก็ให้เขาเดินไป โดยการมีสติรู้สึกตัวเราก็เห็นมาไตรักได้นะบางวันดีบางวันไม่ดีใช่ไหมตรงเนี้เราก็ไม่ทุกแล้วเาก็แสดงมาไตรักแล้วนะหรือมาเมาื่อเช้าโกรธตอนบ่ายรู้สึกมันไม่น่าโกรธเลยนะเราก็ไม่ไปทุกมันแล้วกลัวก็โกรธไปไม่เป็นไรช่างมันแล้วแไปตรงนี้จิตมันก็วางแล้วนะแต่เมื่อเช้าโกรธแล้วมานั่งเลิเออทำไมมันโกรธอยู่นะแือว่าต้องนานแล้วไม่ยังโกรธอยู่นะมันก็เราก็แย่นะเราคงไม่ก้าวหน้าแล้วนะมันมีตัวเราอยู่เห็นไหม มีตัวเราอยู่ตลอดเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่เป็นไรช่างมาแล้วแล้วไปอะไรก็ได้นี่แหละมันเป็นการปล่อยการวางการมียึดติดมันก็คือการจิตที่มันคลายออกนะการที่จิตมันคลายออกจากการที่มันยึดเพื่อต้องเอาดีนั่นแหละมันเป็นการคลายออกจากตัณหาการคลายออกจากตัณหาก็เรียกเป็นวิราคะในในในข้อของนิโรดนะนิโรธเนี่ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งว่าโยตัสายวะกัเสสาวิราคะนิโรโทจารโภเป็นสักโคมุตินารโยก็คือ จิตที่มันเริ่มคลายออกจากตัณหาที่เราต้องแปลดีกันมาแล้วนั่นแหละตรงนี้มันจะเป็นการคลายออกจากตัณหาคือเข้าสู่นิโรธได้เพราะฉะนั้นถ้าเราใจเรากล้ากล้าดูตามความเป็นจริงมันดีก็ได้มันไม่ดีก็ได้เราก็มีหน้าที่ที่รู้เท่าทันแล้วก็คลายออกจากการยึดมั่นถือมั่นบางมันจะต้องเป็นเราเป็นของเราเท่านั้นเองมันก็กลายเป็นผู้ดูนะมันก็วางจิตมันจะวางเกิดการปล่อยอันนี้กเขาเข้าสู่นิโรธเกิดการมุติคือการปล่อยการวาง แล้วมันจะทําให้ตัณหาไม่ไม่มีที่อาศัยคือเป็นอนัลโยะจิตเราก็จะเป็นผู้ดูอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะอ่าเห็นไม่เป็นนะตรงนี้มันมันจะต้องเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าเป็นผู้ดูจริงๆไม่ไปแทรกแทรงไม่ไปเบียดเบียนแต่มาถึงอะไรที่เรายังไปเบียดเบียนไปแทรกแทรงไปจัดการเขาอยู่ให้เขาเป็นไปตามเราต้องการอันนั้นมันก็ไม่เป็นผู้ดูนะไม่เป็นผู้ดูหรอกอันนั้นเป็นเป็นผู้แทรกแทรงเป็นผู้จัดการมากกว่า มามันจึงต้องเอ่อเข้ามาเห็นในตรงนี้ได้ไหมว่าเราเมต ไ, ไปยุ่ง์ของเขารู้ตามความเป็นจริงดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ก็เป็นสภาวะธรรมตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปไม่ใชตัวเมตต์นของเราเท่านั้นเองอะจิตมันก็จะเกิดการปล่อยการวางการมตติดแล้วมันก็จะเข้าสู่นิ โ, โรธในตรงนี้ได้เนาะตรงนี้มันก็เป็นกระบวนการของปฏิจจสมบัติที่ที่เราที่มันแสดงอยู่แล้วนะเพียงแต่เราไม่ได้เข้าไปสังเกตเขาเท่านั้นเองนะคราวนี้เราก็ เจริญสติไปทุกๆวันแล้วก็เห็นในสภาวะธรรมเราเนี่ยเมื่อเราเห็นบ่อยๆแล้วนะมันสําคัญต้องเห็นบ่อยๆนะมันไม่ใช่ว่าเห็นครั้งสองครั้งหรืออะไรนะกายและใจเขาก็แสดงมาตายรักอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วให้เราเห็นบ่อยๆนะเมื่อเห็นบ่อยๆแล้วจิตก็จะเกิดการคลายออกอะมันมันต้องคลายออกโดยตัวตัวเองนะไม่ใช่เราเป็นนั่งนึกเอาอ่ะนึกเอาก็ไม่ได้นะการนึกเนี่ยการคิดอันนี้เป็นไม่ได้เป็นวิปัสนาอะไรเลยอันนั้นเป็นวิปัสสนึกเนาะ วิปัสสนาคือต้องเห็นบ่อยๆไม่ได้ไปคิดอาศัยการเห็นรูปเห็นนามเกิดดับบ่อยๆนี่แหละเห็นกายและใจเขาทางานของเขาเองนะัมันก็แยกมาเห็นว่าเออรูปเวนาสัญญาสังขารวิญญาณมันทำงานของเขาเองนะมันเดินมาไต่รักของเขาเองอยู่แล้วนะแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกขตังเขาเองอยู่แล้วทุกๆขันห้าเราไม่มีหน้าที่ไปจัดการอะไรกับเขาเลยนะตรงนี้มันจึงเป็นการเป็นผู้ดูจริงๆมันไม่ได้ไปแทรกแซง ถ้าแตรกแซงแล้วมันมันก็อย่างที่ว่าเนี่ยแหละมันไม่ใช่เนาะครา้นี้เราก็ดูช่นนี้ไปเรื่อยๆแล้วในสุดจีก็จะเข้าใจอ่าเข้าใจแล้วมันก็คือมันไม่ใช่เป็นอะไรกับไรนะไม่เป็นอะไรกับไรอย่างที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละไม่เป็นอะไรกับไรก็คือมันมันจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เราก็ไม่ได้ยึดบัดสมัยก่อนแล้วนะมันต้องดีมันต้องดีอต้องดีอะไรมันสมัยก่อนักประบัติมันต้องดีนะ แต่ตอนหลังถ้าเราเข้าใจแล้วมันไม่เป็นไรมันดีไม่ดีมันก็ไม่เป็นไรเนียตรงนี้มันสําคัญกว่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเราก็ไม่มีหน้าที่เป็นผู้รู้เท่านั้นเองพอเรารู้ตรงนี้จิ๋มก็เริ่มคลายออกไปเรื่อยๆนะก็คือมันมันก็ไม่ใช่ตัวเราเมื่อไม่ใช่ตัวเราก็ไม่ใช่ตัวเขาเราก็ไม่ได้เป็นไรเราก็ไม่ได้เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงไม่ได้เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นพระไม่ได้เป็นโยมเพราะทุกอย่างก็เป็นแค่สมมติเท่านั้นเองสมมุติขึ้นมากล่าวเอออันนี้คือในกณ์นะ อันนี้คือนายคออันนี้คือนางคออ่ะมันก็สมมุติเท่านั้นเองจริงๆแล้วมันไม่มีชื่อหรอกสมัยเมื่อสักสักพันปีก่อนแล้วกันมันไม่มีชื่อนายคนายขอไม่มีทั้งสิ้นนะมันไม่มีชื่ออะไรเลยมาในยุคเมื่อสักห้าเจ็ดสิบแปดสิปีก่อนก็ไม่มีนามสกุลนะสมัยก่อนนู้นนะก่อนรัชกาลที่หกอ่ะก็ไม่มีนามสกุลอ่ะก็เรียกว่าเออในายใบอ่าทามาไฟเป็นต้นนะเอาที่อยู่ต่ อ, ต, อต่อท้ายนะหรือนายแดงอ่า แกงคออะไรทำนองเนี้นะก็ไม่มีนามกุลหรอกเราชื่อก็ใครๆซ้ำๆกันหมดเลยเพราะก็เพราะฉะนั้นพวกชื่อนี่นมันกลายเป็นการสมมุติขึ้นมานะั่นเรียกขึ้นมาสมมุติขึ้นมา <c oughs> แต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ไปยึดติดไอ้สมมุติชื่อนี่นะอ่าสมมุติเราชื่อนี่ปุ๊บเนี่ยอพอเขากายใครกล่าวสรรเสริญเราโอ้ในกอนามกุลนี้ชื่อเรานะคอยฟังมิญญาณว่าอะไร <c oughs> ถ้าเขาสรรเสริญแล้วก็ดีใจใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไรเขานินทาเขาว่าเราเขาใส่ร้ายเรา เราก็มีความทุกข์ทันทีเลยมันใส่ร้ายเรามันไปยึดติดไอตัวสมมตินี้นทั้งนั้นเลยนะจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรกบางทีบางคนก็เคยเซิร์ชชื่อนะชื่อบางทีก็มันมันนะชื่อเดียวนี่ยนามกุลเหมือนกันนะในประเทศไทยมีตั้งหลายคนบางทีชื่อนี้นามกุลเนี่ยมีเป็นสิบสิคนก็ยังมีเลยมันมันเป็นเรื่องที่ว่ามันสมมุติขึ้นมาแล้วเราก็ไปยึดติดต่างๆเราเนี่ยครนี้ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วที่พระเจ้าบอกไว้แล้วว่า มันมันไม่ใช่ตัวเมตตนนะเทวสวดกันทุกวันม่าช้าว่าสวดไปไม่ใช่ตัวไม่ตนนะสัพเพสร้างขาราานิจาสัพเพสร้างขาราทุกขาสัพเพสร้างขารานตาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวไมตตนอยู่แล้วนะไอ้ตรงนี้เราไม่ไปละตนละตนไม่ต้องไปละตัวละตนเามันไม่ใช่อยู่แล้วนะมันมีอยู่แต่มันไม่ใช่ของเรานะเพราะฉะนั้นมันไม่มีมันไม่ใช่เราตั้งต้นแล้วเราก็เพียงแต่ใสยรูปนามเนี่ยแหละ นะครั้นี้ไม่ใช่เราเราบอกว่าเราไม่ไปดูแลมันได้ไหมมันป่วยเจ็บไม่ได้รักษามันได้ไหมอันนี้เราจําเป็นต้องรักษามันนะเพราะว่าเราต้องอาศัยมันใช่ไหมอาศัยมันแต่มันไม่ใช่เราเหมือนกับรถยนต์นี่แหละเราใส่รถยนต์อาศัยรถยนต์แล้วเราลดเสียแล้วก็ทิ้งไปเลยมันไม่ไม่รักษามันก็ก็เลยแย่เลยนะให้ร่างกายกับมันก็รถยนต์นี่แหละใช่ไหมมันก็ต้องคอยดูแลคอยรักษาเขาไปมันก็ไม่ย i k e เราแต่เราก็อาศัยเขาในการเป็นอยู่เท่านั้นเองนะเป็นอยู่เพื่อปฏิบัติธรรม ต่างๆหรือให้พ้นทุกไปนะแต่เราก็ไม่ยึดติดกับร่างกายเนี่ยเป็นของเราอตัวนี้มันสําคัญกว่าใช่ไหมอ่ามันก็เป็นภาวะที่เรามาใส่เขาเท่านั้นเองนะมันเป็นเป็นสิ่งว่าทุกยามันแค่อาศัยไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเรานะถ้าเราเข้าใจนี้แล้วก็รู้ว่าเออมันก็ตรงนี้นะรถยนต์แล้วมันก็ดีนะขับมันก็วิ่งเร็วถึงจุดหมายได้เร็วอแต่รถยนต์มันโทมโซมันก็เสียมันก็คงไม่ถึงจุดหมายหรอกใช่ไหม เพราเราก็ดูแลกายและใจเราแต่ไม่ได้เพื่อให้เขาอุดมสมบูรณ์นะไม่ใช่ให้เขาแข็งแรงแล้วก็ไปล่าเริงในทางโลกนะไปเที่ยวไปเล่นไปอะไรนั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่นะเราก็ดูแลเขาให้เขาดีให้เขาสุภาพแข็งแรงจิตใจเขาก็ดีเพื่ออะไรเพื่อว่าจะเปิดธรรมนะอาศัยเขาเนี้ยไปขึ้ น, ปนเปิดธรรมพ่ดใจเรานั้นมันก็ต้องอาศัยอยู่นะมันก็มีกิเลสทั้งหลายแหล่นั่นแหละแม้แต่สมมติเป็นกินเลสแต่มันก็อาศัยในอยู่ในใจเรา ใช่ไหมเราก็เป็นหน้าที่ที่ว่าเราต้องดูแลเข้าไปนะต้องคอยรู้ทันกิเลสในใจเราเรื่อยๆนะรู้ไปตามความเป็นจริงเมื่อ ร, รู้ไปเรื่อยๆนะเขาก็จะน้อยลงเขาก็ค่อยๆหมดไปนะอืตรงนี้เราก็เห็นว่าเออจริงๆแล้วนะกิเลสมันก็ไม่ใช่เราจริงแต่มันก็มาอาใส่ในในเรานะใช่ไหมมาอาใสายในเราถ้าเราเข้าใจแล้ ว, ล เ, วลเราก็ไม่ไปละมันเราก็แค่รู้ไปเท่านะั้นเองกิเลสมันก็ไม่ใช่เรานะเพราะฉะนั้นความโกรธมันจริงไม่ใช่เราเป็นของเขาเองเนะี่ยก็สรุปไปในตรงนี้ ความรักความชังทั้งหลายก็ไม่ใช่เรานะก็เป็นเขาเองนะีมันก็แยกมาเห็นเลยนะแต่จากการสรุปบ่อยๆแล้วในสุดจิตก็จะเข้าใจแล้วก็จะรู้แล้วมันไม่ใช่เรามันก็จะทิ้งไปเลยนะมันอยู่ที่ว่าจิตเขาเข้าใจในระดับไหนใช่ไหมมันเป็นสิ่งหรือว่าให้จิตเขาเข้าใจมากกว่าการที่เราเห็นบ่อยๆนะนะี่แหละความโลภความโกรธความหลงมันไม่ใช่เราแต่ว่าเราเนี่ยมันเป็นการรู้แค่ความคิดเท่านั้นเองแต่จิตก็ยังไม่รู้นะอ ขณะนี้เมื่อเราเห็นบ่อยๆเราสรุ ป, ปบ่อยๆมันไม่ใช่เราแล้วก็เขาเองเช่นนั้นไปไปตามเหตุตามปัจจัยเพื่ออะไรเพื่อให้จิตเขาเข้าใจเมื่อจิตเขาเข้าใจระดับหนึ่งแล้วเขาจะปล่อยอย่างเขาเองแล้วนะก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เราเขาปล่อยจริงๆเลยก็จะเกิดตรงการไม่ยึดติดเกิดการปล่อยการวางการทําให้ตันหาไม่มีที่อาศัยนั่นแหละในในโลดนั่นแหละเมื่อจิตเข้าใจแล้วเกิดการวิราคะคือการจางคายการออกการออกมาการคลายจอกตันหา แล้วก็ทําให้ตัณหาไม่มีที่อาศัยเพราะว่าจิตเขาเข้าใจนะมันเหมือนกับเรามีเด็กคนหนึ่งนะเด็กคนเนี้เราก็ต้องสอนเขาบ่อยๆใช่ไหมเด็กเนี่ยมันต้องใส่การสอนนะพอถึงระดับนึงแล้วนะเมื่อสอนเขาแล้วเด็กเขาก็จะรู้เรื่องเขาก็จะเข้าใจนะจิตก็มันก็เด็กนะก็ให้เขาเห็นบ่อยๆการสอนก็คือให้เขาเห็นนะไม่ได้ไปช่วยเขาคิดให้เขาเห็นบ่อยๆเท่านั้นเองนะเขาก็จะเกิดการปล่อยการวางการมีติดนี่แหละพอจิตเขาเข้าใจเขาปล่อยการวางการมีติดแล้วนี่ยมันก็พ้นทุกได้เนาะ ตรงนี้มันก็เป็นหนทางที่เราว่ามันก็ไม่ยากนะเพราะว่าอย่างที่ว่าแล้วก็คือคำวนน่านิพพานเนี่ยมันไม่จะเป็นพบเป็นภูมิไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนอยู่ในใจแล้วนี่แหละใจเราละกิเลสได้ไหมเราละความทุกข์ได้ไหมใจเราไม่ยึดติดได้ไหมนะเพราะนั้นเมื่อใจเราเข้าใจแล้วมันก็ไม่ได้ไปเอาอะไรแล้วมันก็คือการปล่อยการวางการไม่ยึดติดการคลายออกนั้นเองนะารคลายออกคือคลายจตันหาคือเวลาคะเมื่อมันคลายออกแล้วมันก็จะเกิด นิ โ, โรธโถก็คือการดับมืเหลือของตัณหานั้นนั่นเองเนาะอันนี้แหละคือปันิพานก็เกิดในใจของเรามันเป็นการสิ้นสุดแห่งภพแห่งชาติก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายใต้เกิดไม่ต้องอยู่ในสังขารนับภพนับชาติไม่ทวนก็คือเราต้องพ้นทุกได้อนะย่างแน่นอนในชาตินี้เนาะในท้ายสุดนี้ขออรัตนาบา ร, รมีคุณบา ร, รมีตรยัยน้อมนำทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วพันทุกท่านเถิด